พิจารณากายจนใสเป็นแก้วข้อเท็จจริงที่เกิดกับหลวงพ่อเองหลวงพ่อเดินจงกรมอยู่พิจารณากายขตตาสติตามสูตรท่านให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของปฏติกูน่ากเกลียสโศโครกแต่หลวงพ่อไม่เอาอย่างนั้นพอขึ้นต้นผมฉันเกิดอยู่บนศีสะไม่แก่ไม่งอบที่เกิดของผม เป็นท่อทางระบายสิ่งโสโครกออกจากร่างกายผมเป็นเครื่องประดับร่างกายให้ครบถ้วนอาการ32ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็พิจารณาไปตามหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละส่วนจนกระทั่งถึงหัวใจหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายปอดมีหน้าที่หายใจมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นและสรุปลงว่า อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันมีความแข็งแรงสมบูรณ์ต่างก็ทำหน้าที่ของตนตามหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์พิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันแยกเป็นสามิติมิติหนึ่งพิจารณาเองอีกมิติหนึ่งจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งมาเฉยอยู่ในถ้ำกลางของร่างกาย อันนี้เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ว่าจิตไปถึงจุดที่ว่าร่างกายตัวตนไม่มีนี่นับไม่ได้ว่ากี่ครั้งกี่หนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยที่ป่วยเป็นวันณโรคอยู่ทำสมาธิแต่และครั้งต้องพยายาม 1. ให้มองเห็นปอด 2. ให้ร่างกายหายเพราะอาศัยปฏิบัติอย่างนี้วรนโรคก็หาย แล้วเราก็ได้ข้อมูลอันหนึ่งขึ้นมาว่าทำไมกระดูกพระอรหันต์กระดูพระพุทธเจ้าเมื่อท่านนิพพานไปแล้วกระดูกจึงเป็นพระาธาตุเพราะจิตที่สงบมีพลังแล้วมันเข้ามาสารวจดูภายในกายมองไปที่ไหนมองเห็นเนื้อสีแดงแดงมันก็แดงแบบชนิดแก้วใสสีแดงมองเห็นกระดูกก็เป็นแก้วไปหมดมองเห็นอะไรเป็นแก้วไปหมดทั้งตัวจึงมาได้ข้อมูลว่า อ๋อเพราะอย่างนี้พระอรหันต์นิพพานไปแล้วกระดูกท่านจึงเป็นพระาธาตุได้